นะเดี๋ยวก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้คุยนะหลวงพ่อจะเปิดเดี๋ยวนะจะเปิดจะเปิดดีไม่ดีนะมันเป็นเสียงที่หลวงพ่อไปอ่านมาแล้วก็บันทึกเสียงเอาไว้ว่าไวหลังเขาพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรอ่านี่แหละมันอยู่ในนั้นแหละที่เขียนทางบ้นทุกอยู่ในยู u ูบอ่ะนะหลวงพ่อทําเมื่อเช้านี้เองถ้าคลิกไปมันก็จะโยมก็เปิดฟังซ้ําได้แต่หลวงพ่อเปิดให้ฟังกันแล้วกันเนาะ แลว้วกาเปิดยูท b e ครั้งหนึ่งท่านวยลาง ไปพักครั้งแรมที่บ้านหลังหนึ่งขณะที่กำลังจะนอนพักผ่อนในช่วงบ่ายได้ยินเสียงคนกำลังสวดมนต์เลยลุกขึ้นไปถามู้นั้นว่าเจ้าเข้าใจความหมายของบทที่สวดหรือเปล่าชายคนนั้นตอบว่าบางตอนเข้าใจยากจริงๆท่านเว้ยหลางเลยอธิบายให้ฟังบางตอนของบทสวดว่าเมื่อเราอยู่ในโล ก, โลกแห่งมายาจอมปลอมนี้ จนผมง อ, อกขาวหมดไปทั้งหัวแล้วพวกเราต้องการอะไรและเมื่อไฟแห่งชีวิตกำลังจะมอดลงใจตื้นอ่อนลงและลมหายใจกำลังจะขาดรอนๆอะไรคือสิ่งสุดท้ายที่เราหวังและเมื่อกายของเรากำลังเน่าเปื่อยอยู่ในสุสานทาตกลับคืนสู่ธาตุธาตุดินสู่ดินชีวิตกลายเป็นสิ่งไรความรู้สึกในความว่างเปล่า แล้วเราอยู่ที่ไหนคนที่สวดมนตน์นั้นได้ชี้คำหลายคําในคาภีที่ไม่เข้าใจความหมายแล้วถามท่านวหลยางยิ้มยิ้มแล้วตอบว่าข้าพระเจ้าไม่รู้หนังสือท่านถามมาเลยดีกว่าคนคนนั้นรู้สึกแปลกใจแล้วพูดขึ้นว่าถ้านอ่านหนังสือไม่ออกท่านจะเข้าใจความหมายเข้าใจหลักธรรมได้อย่างไรท่านว่ล่างตอบว่า หลักธรรมของพุท ธ, ธกับตัวหนังสือไม่เกี่ยวกันตัวหนังสือเป็นเพียงเครื่องมือที่จะเรียนรู้สิ่งที่จะเข้าใจหลักธรรมคือจิตคือตัวรู้ไม่ใช่ตัวหนังสืออก็จบไปเนาะอันนี้ลึกซึ้งมากเนาะลึกซึ้งพูดถึงว่าชีวิตเราเนี่ยก็คือเนี่ยที่มันเน่าเปื่อยผุพังเนาะแตกสลายไปเนี่ยแล้วก็ ที่มันเป็นธาตุต่างๆก็กลับคืนสู่สภาพเดิมหมดไม่เหลืออะไรเพราะนั้นที่เราเอาตัวเราไปอ่านไปเพียงอะไรทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายมันก็คือมันต้องตายหมดแตกสลายหมดเนาะความเป็นตัวตนก็ไม่มีแต่สิ่งที่มันสูงกว่านั้นก็คือพูดถึงท่านพูดถึงความว่างนะแล้วก็มาพูดถึงว่าไ อ, อ, อาการที่จะให้เข้าถึงความว่างเนี่ยก็คือตัวรู้นี่แหละหนังสืออะไรไม่เกี่ยวทั้งหมดเลย เพราะนั้นที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องรู้จักเข้าถึงว่าคําว่ารู้เนี่ยไอตัวรู้ที่พูดกันทุกวนันทุกวันเนี่ยมันคือตัวไหนกันแน่มันคืออะไรกันแน่ถ้ารู้จักตัวรู้ตัวรู้แท้หรือว่าพุทธะแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะหมดความสงสัยเพราะว่ามันมันจบตรงที่รู้นี่แหละว่าไม่มีอะไรเกินไปจากรู้แล้วพอ ร, รู้เนี่ยมันเป็นความว่างเสียเองมันจึงพ้นไปจาก ทุกจุกพ้นไปจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนะเพราะนั้นพวกเราก็พยายามทําความเข้าใจให้ดีเนาะการอา่านหนังสือก็ดีการฟังก็ดีเป็นแค่ เ, เหมือนกับว่าเป็นแค่ทางเป็นแค่ทางเหมือนว่ามีผู้นําทางว่าวิธีปฏิบัติเพื่อให้รู้นะต้องทําอย่างนี้นะทําอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตามตามคำแนะนํา แล้วก็เน้นในเรื่องของรู้เออถ้าว่าไปแล้วเนี่ยอะไรก็ตามมันรู้หมด mm hmm. เช่นลหมหายใจเข้าหายใจออกมันก็รู้ถูกไหมแต่ว่ารู้อันเนี้ยมันเป็นยังเป็นรู้วิญญาณขันมันเป็นรู้ที่เกิดดับแต่รู้พุท ธ, ธะเนี่ยมันพ้นไปจากความเกิดดับเป็นรู้พุท ธ, ธะคือรู้แจ้งรู้จริงรู้ไม่พูดสักคำเดียวนะดูดิมันจะว่ายากสุดขีดก็ยากสุดขีดจะว่าง่ายคนที่ถึงแล้วเข้าใจแล้วมันก็ง่ายไปเลย นะแล้วก็พ้นทุกได้ในปัจจุบันชาตินี้ได้จริงเพราะที่พ้นทุกได้ก็เพราะอะไรก็เพราะรู้นั่นแหละอ่าเอาเดี๋ยวใครยกมือมามาั่งอาจารย์สวัสดีครับอาจะเป็นผ่านได้ได้ยินผมนะครับได้ยิน <ขอ S 1> ได้ยินเมนื่อวานมีประเด็นที่ผมคุยกับพี่ผู้ชายผมจําชื่อเขาไม่ได้ว่าเขาชื่ออะไรเออเดี๋ย ว, วก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนประเด็นเมื่อวานนะเอาประเด็นที่หลวงพ่อพูดจบไปแล้วเนี่ยว่า เข้าใจไหมหรือว่าไม่เข้าใจยังไงเมื่อกี้เท่าเท่าที่โยมได้ยินได้ฟังแล้วมันติดใจตรงไหนไหมเออต้องเอาตรงนี้ก่อนโอ๋อพระอจารย์ครับพอดีผมเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้น่ครับพระอาจารย์ขอโทษเลยครับครับเหลือเลือทั้ทงนั้นค่อยฟังซ้ำก่อนเนาะอ่าได้ไดครับตอนนี้โอเคโยมว่าไปงั้นครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ถามผมว่าจุดเริ่มจริงๆอ่ะที่เห็นกายเห็นจิตเนี่ยคือเริ่มเริ่มเขาเริ่มจากฐานกายใช่ไหม ใช่ครับเขาบอกว่าทุกทุกอย่างที่ที่เริ่มจากตัวรู้พระอาจารย์สอนที่บอกนะครับทุกอย่างเริ่มเริ่มจากฐานกายก่อนหมดเลยครับสําหรับผมนะครับที่ผมจําจํา <ำ S 2> จํา <ำ S 1> สภาวะของตัวเองได้เมื่อมันเห็นกายแล้วอ่ะมันก็จะเริ่มเมื่อฐานกายมันเห็นมันก็จะเริ่มเห็นเป็นกายเป็นจิตแล้วก็จะเห็นตัวรู้ที่พระอาจารย์อบอกนะครับเมื่อวานคุยคุยกันค้างค้างค้างไว้ครับมีก่อนพระอาจารย์จะจะจบนะครับว่าถ้าเกิดฐานกายมัน ถ้าในความคิดของผมคือถ้าฐานกายมันแน่นนะครับอาจารย์ <timely. S 2> มันก็จะเริ่มแบบว่าเห็นเห็นเกือทุกอย่างครับอย่างอย่างทุกวันเนี่ยที่ผมก็รู้ๆหลงๆครับในที่อาจารย์ที่อาจารย์อธิบายครับแต่ถ้ามื่อไหร่มันหลงก็พยายามมาอยู่กับกายมันก็จะเริ่มเห็นสภาวะรู้ต่อเนี่ยครับอาจารย์คือการหลงเนี่ยมันก็เป็น S. <S อารมณ์กรรมฐานเหมือนกันนะการหลงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นธรรมะเป็นสภาพธรรมะเพราะว่า รู้กับหลงเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่เขาเรียกว่าไม่เที่ยงเนาะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นที่มันรู้บ้างหลงบ้างเนี่ยก็คือถูกต้องแล้วแล้วก็ไอความหลงนั่นแหละมันทําให้เป็นความรู้ใช่ไหมพอหลงมันก็รู้สิว่าหลงนี่แสดงว่ามีตัวรู้แล้วนะเนี่ยเพราะฉะนั้นการหลงนี่แหละมันก็เป็นเหตุปัจจัยทําให้รู้หลวงพ่อคําเขียนเนี่ยท่านบอกว่าหลงนั่นแห ล, ละดีจะได้รู้ อ่ใช่ไหมทีนี้ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติเพื่อไม่ให้หลงนี่มันผิดแล้วไงเพราะว่ามีตัวเราเป็นผู้กําหนดกําหนดธรรมชาติว่าไม่ให้หลงแต่ธรรมชาติเนี่ยหลงกับรู้เนี่ยมันเป็นของคู่กันเออเพราะงั้นเวลาปฏิบัติอยา่าฝืนธรรมชาติเจ้าฝืนธรรมชาติเนี่ยเราจะเหนื่อยเองเช่นลองปฏิบัติแบบไม่ให้ไม่ให้หลงดูดิเราว่านะโหไม่กี่ชมมั่วโมงอะเครียดมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้สบายผ่อนคลายคือเรียกว่าไม่หย่อนไม่ตึงเกินเนาะ ก็พอมันหลงเนี่ยโยมดูสิเวลามันหลงมันเบิกบานขนาดไหนล่ะสมมตินะโยมโยมกําลังขับรถอยู่นะอ่าสมมุติขับรถอยู่ตอนแรกมันก็ขับปกติเนาะตาก็มองเห็นหูก็ได้ยินนะเป็นปกติมากแล้วพอตอนหลังเนี่ยโยมก็ขับไปเรื่อยๆแล้วโยมก็เม่อไปคิดถึงเรื่องงานนะเนาะพอคิดถึงเรื่องงานตอนนั้นนะี่ยหลงแล้วแต่ยังไม่รู้แล้วจูๆ่ๆมันแบบอึ๊กขึ้นมาว่าเมื่อกี้เนี่ยมันหลงเห็นไหมความหลงเนี่ยทาให้การตื่นรู้ แล้วการตื่นรู้แบบนี้รู้แบบธรรมชาติบริสุทธิ์ด้วยนะเพะมันรู้ของมันเองว่าเมื่อกี้หลงเพราะนั้นเนี่ยไอ้ความหลงนั่นแหละมันทำให้เป็นเหตุความรู้แล้วก็จะได้รู้จักว่าหลงคืออย่างนี้รู้คืออย่างนี้แต่สุดท้ายทั้งรู้ทั้งหลงก็คือเกิดดับหมดไม่ใช่เราไม่ใช่เรารู้ไม่ใช่เราหลงเนี่ยมันจะถอนความเห็นผิดได้ไงแต่ถ้าลองปฏิบัติเพื่อไม่ให้หลงนี่แสดงว่ามีอัตตานะเราเราเราเร า, เรา เราไม่ให้หลงแต่จริงความหลงความรู้มันเป็นมันเป็นเอสังขารเนาะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ดันจะเอาให้เป็นเราไว้ได้อ่ะมันก็ผิดแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะรู้รู้รู้หลงอ่ะคือนั่นแหละคือทางของมันแล้วเขามารู้รู้ก็รู้หลงก็รู้ครับอาจารย์ถูกต้องนี่ไงพุทธะเลยพุทธะเนี่ยรู้รอบก็หมายความว่าอ๋อเวลาหลงพุทธะก็รู้เวลารู้พุทธะก็รู้เห็นไหมพุทธะเนี่ยคืออยู่เหนือ อยู่เหนือการรู้การหลงแต่พูท่านเนี่ยรู้แจ้งเลยรู้รอบหลงรู้รอบเหมือนกับตัวเรานะสมมุตินะตัวเราเวลาฟังธรรมะเข้าใจใช่ไหมตัวเราเนี่ยเป็นผู้เข้าใจแต่รู้เนี่ยเขารู้ว่าเราเนี่ยเข้าใจหรือ<ๆ>ว่าเวลาเราฟังธรรมะเราไม่เข้าใจแต่รู้มันก็รู้นะว่าเราไม่เข้าใจแต่รู้เขาไม่ได้มาสอนเรานะว่าต้องทํำยังไงรู้เนี่ยเขาได้แต่รู้เราว่าเราเข้าใจเขาก็รู้เราไม่เข้าใจเขาก็รู้ เรางงหมดแล้วเนี่ยตอนนี้มั่วตัวแล้วนะพุท ธ, ธะเนี่เขาก็รู้ว่าเรามั่วตัวหมดแล้วแต่พุท ธ, ธะไม่ได้ช่วยเราเลยได้แต่รู้อย่างเดียวอ๋อใช่อาจารย์อย่างว่าวันผมลืมของแต่ผมก็รู้แล้วผมลืมแต่มันก็ยังลืมนะครับ ม, มั น, นะ ม, นมันรู้เราว่าเราลืมเห็นี่ยเห็นไหมไม่ใช่เห็นไหมไ ม, หไห ม, มันมันชัดเลยนะคือต้องต้องพูดเป็นภาษาสมมติอหละเช่นบอกว่าเราลืมของแล้วพอบอกว่าพอเราลืมของปั๊บเนี่ย มันมันมีผู้รู้ไงว่ารู้ว่าเราเนี่ยลืมมันรู้เราไงตรงเนี้ยมันละเอียดแต่ว่าวิธีการศึกษาเนี่ยค่อยๆสังเกตค่อยๆเรียนรู้บางอย่างว่าเออเราเนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้จริงๆนะประมาณนี้อจริงเพราะจะเออผมผมว่าชอบไปเตะฟุตบอลด้วยเมื่อก่อนเหนื่อยเข้าไปเหนื่อยแล้วเดี๋ยวนี้เอ้าอยู่ๆมันเออมันเหนื่อยแล้วเออเออเออเอนะมันก็ดาวลงทุกอย่างเออมันก็จะ เหมือนว่ามันจะเบรกเบรตัวเองในความสับสนหรือเบรกตัวเองในความเหนื่อยครับอาอมันเหนื่อยอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็มีสติมากขึ้นโอ้โอ๋อแต่อันเองมันก็เมันก็แล้วแต่ครบางครั้งมันก็เกิดอัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นสำหรับตัวผมผมยังยังใหม่แล้วครับเพิ่งเห็นเลขสองอาทิตย์ครับบางครั้งผมก็เห็นว่ามันเป็นเองแต่บางครั้งผมก็เห็นนหละอ๋อถ้ามันหลงมากมันก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเองครับก็ถูกแล้วไงมันคือมันไม่ปลอดภัยแต่ว่าสุดท้ายไอ้ตัวหลวงตัวรู้นี่แหละค เือไงอะ่ะคือถ้าพูดถึงกับพุทธนะเนาะพุทธะที่รู้แจ้งรู้จริงอ่ะนะมันไม่เดือดร้อนเลยนะไม่เดือดร้อนอในการรู้การหลงของเราเลยนะเพราะว่ามันคนละตัวกันแต่มันได้แต่รู้แจ้งแล้วมันถึงถึงที่ว่ามันไม่เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะมันไม่มีตัวจะเดือดร้อนมันมีแต่ความรู้ความรู้ที่อยู่ในความว่างอ่ะนะเนี่ยหัวข้อที่บอกว่าในว่างมันมีความรู้อ่ะโยมลองนึกภาพดูนะอันนี้ให้นึกภาพแค่แค่พอเห็นลางๆก็คือว่า เมื่อก่อนเนี่ยเราดูจิตนะสมมติว่าเราดูจิตคือเอาตัวเราเนี่ยไปดูในอกในส่วงอกแล้วไปดูว่ามันจะคิดอะไรเนาะอันเนี้เขาเรียกว่ามันมีตัวเราไปเพ่งไปดูแต่ยังไม่เป็นการดูที่ถูกต้องหรอกเพราะว่ามันมีคำการกําหนดรู้แต่ถ้ามีคนอื่นที่อยู่นอกตัวเรานะเข้ามาเห็นนะเขาจะบอกว่าเออเออแกไปเพ่งแล้วนะแสดงว่าไอตัวที่มาเห็นตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่เราใช่ไหมคือเป็นคนอื่นอันนี้หลวงพ่อพูดแนวนี้ก่อน <Okay. S 1> แต่ทีนี้ถ้ารวมรวมกันแล้วเนี่ยทั้งคนอื่นทั้ง ทั้งตัวเราเห็นไหมมัน no ม it so really ีความว่างล้อมรอบเลยและในความว่างอันนั้นน่ยมันมีความรู้ก็หมายความว่ามันจะรู้คนอื่นจะรู้เรารู้หมดเลยแต่มันอ่ะไม่เคยสอนอะไรสักอย่างนึงมันได้แต่รู้ไงเพราะมันเป็นมันเป็นความมันเป็นความรู้ที่อยู่ในว่างแล้วรู้อันเนี้ยมันเป็นรู้รู้อย่างพุทธะมันจึงรู้ทั้งหมดทั้งสิ้นแต่มันไม่ได้พูดไม่ได้สอนไม่ได้อะไรสักอย่างเลยแต่ตัวเราเนี่ยโอ้ยทั้งอย่างโน้นอย่างนี้มันรู้เราหมดแหละใช่ใช่ไม่กระชั้นนั่งอยู่ตอนเนี้ยโรโดูสิ โยมนั่งอยู่โยมนั่งอยู่ในความว่างมันก็รู้เราว่าเรานั่งเราเดินเรายืนใช่ไหมล่ะเออแล้วก็มันจะรู้ถึงมันจะรู้คือมันรู้ตัวเราหมดทั้งตัวเลยแล้วมันมันมันก็อยู่ในความว่างนั่นแหละเพราะฉะนั้นในว่างมันมีความรู้ไงเมื่ก่อนก่อนที่ผมจะเจอพระอาจารย์เนี่ยผมฝึกออกสมถะมาเยอะครับส่วนมนณี่ยครับอาจารย์คือแบบว่าคือเมื่อก่อนมันไม่มีแนวเหมือนเชื่ว่า ิตผมแค่รู้ว่าจิตเนี่ยมันชอบไปคิดเรื่องอื่นแต่มันเป็นเพื่อนที่คิดจิตที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันไร้สาระผมก็เลยว่าเอาใจมาสวดมนต์ดีกว่าครับแต่ว่าปรากฏว่าที่คิดเมื่อก่อนเนี่ยมันมันเป็นคิดมันเป็นคิดทั้งนั้นเลยครับอาจากมันไม่ได้รู้จริงๆคิดมาตลอดแบบสี่สิบปีแล้วคิดคิดว่าวิปัสสนาด้วยคิดว่ารู้ด้วยอะไรแล้วเนี่ยไอคิดว่าแต่ถ้าเราเราถ้าถ้าเรารู้จักคิดแล้วเนี่ยนะก็จะรู้เลยว่าอ๋อคิดเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในความว่างลองดูนะคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในความว่างเกือบต้องมองอย่างนี้ต้องมองเป็นชั้นๆนะเมื่อวานหลวงพ่อพูดไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวานเนี่ยคุยอธิบายให้โยมเทียนฟังในเรื่องของความกโกรธทีนี้วันนี้เดี๋ยวให้เราพิจารณาร่วมกันตอนนี้เลยนะตอนนี้นะทุกคนเนี่ยร่อมอยุ่อยู่แก่ใจได้ว่ากโกรธหรือไม่กโกรธเอาเป็นว่ากรณีไม่กโกรธกันแล้วกันนะตอนนี้อะคิดว่าน่าจะไม่มีใครโกรธอยู่ ก็แสดงว่าความโกรธมันย <an> ังไม่ปรากฏนะแล้วต่อมาเวลาความโกรธปรากฏเนี่ยโยมดูสิว่าความโกรธเนี่ยมันปรากฏมาจากไหนอ่ะมันต้องปรากฏมาจากความว่างถูกไหมความว่างเนี่ยซึ่งเป็นความที่มีอยู่แล้วแต่ไม่ปรากฏอะไรแล้วความโกรธก็ผลขึ้นมาจากความว่างแล้วก็สุดท้ายความโกรธก็ดับไปสู่ความว่างหมายความว่ามันเกิดจุดที่มันเกิดตรงไหนมันก็ดับที่ตรงนั้นแล้วทีนี้ความว่างอันนั้นเน่ยเวลาเ้าพูดเขาบอกว่า ความโกรธมันเกิดที่ไหนเกิดที่ใจแสดงว่าใจนะมันเป็นความไม่ปรากฏเป็นความว่างที่มีอยู่แล้วมีแต่ไม่ปรากฏตัวมันเป็นความว่างไงแล้วในความว่างเนี่ยมันมีความรู้มีความรู้ก็แปลว่าเวลาโกรธปั๊บอ้าวมันก็รู้ว่าโกรธเกิดแล้วแล้วก็พอความโกรธดับดับในความว่างแต่ในความว่างมันมีความรู้ความรู้ก็เลยรู้ว่าโกรธดับแล้ว แม้กระทั่งตอนเนี้มันว่างแล้วเนี่ยใจมันว่างแล้วเนี่ยมันก็รู้ว่าความโกรธไม่มีแต่ลองความโกรธเกิดขึ้นดีใจเนี่ยที่เป็นความว่างเนี่ยมันก็รู้อีกเพราะฉะนั้นใจจริงๆนั่นแหละมันเป็นความว่างเสียเองแล้วมันมีความรู้ด้วยอะไรเกิดในใจใจรู้หมดแต่ใจเป็นสิ่งที่ไม่เกิดเป็นสิ่งที่ไม่ดับเพราะมันเป็นความว่างนึกออกใช่ไหมนึกภาพออกงี้ครับความสุขอ่าเหมือนกันตอนนี้สมมติว่ามันรู้สึกว่า มันไม่มีสุขนะสมมติประมาณนี้เพราะมันเข้าใจได้นี่เวลาสุกเป็นยังไงเวลาไม่สุกเป็นยังไงตอนนี้ความรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เป็นสุขเห็นไหมสแสดงว่าสุขไม่ปรากฏอยู่ในความว่างเลยใจก็รู้ได้ว่าไม่มีความสุขเลยตอนเนี้ในความว่างไม่มีแต่พอมันมีสุขปับ๊บความสุขเกิดมันก็เกิดในความว่างแล้วใจก็รู้ว่า อ, อ๋อสุขเกิดแล้วแล้วพอสุขดับมันก็ดับในความว่างในความว่างมีความรู้คือใจใจก็รู้ว่า อ่าสุขดับแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะความว่างจริงๆก็คือใจนั่นแหละแต่ใจมันไม่มีตัวมันเป็นแบบเหมือนกับภาษาสมมุติที่เขาเรียกขึ้นมาเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะใช้ภาษาสมมุติว่าอย่างไรในการสื่อสารนะก็ เ, เลยจำเป็นสมมุติขึ้นมาว่าเออไอที่มันว่างที่มันไม่ปรากฏอะไรอ่ะนะแล้วมันไม่มีความรู้่ขอสมมุติชื่อว่าเป็นว่าใจก็แล้วกันทีนี้ถ้าทุกคนได้สมมติตรงกันมันก็จะเข้าใจกัน หรือว่าถ้าไม่สมมุติว่าใจอาจจะสมมุติว่าเป็นเป็นพุทธะก็ได้อ้าวเป็นจิตพุท ธ, ธะเป็นจิตที่มีความรู้แจ้งนะเพราะฉะนั้นจิตพุทธะก็คือจิตที่มีความว่างจิตที่ไม่มีตัวตนมีแต่ความว่างแต่มีความรู้ก็หมายความว่าอะไรเกิดในจิตก็จิตรู้หมดอ่าเงี้ยมันก็สมมุติให้ตรงกันแล้วมันก็จะเข้าใจกันทีนี้พอหลวงพ่อพูดอย่างนี้มันก็เห็นภาพสิว่าเออใช่เลยนะทุกอย่างมันเกิดในจิตในใจ แต่แสดงว่าจิตกับใจเนี่ยมันไม่ได้ปรากฏอะไรเพราะสิ่งใดปรากฏสิ่งนั้นไม่ใช่จิตไม่ใช่ใจอันนี้พูดถึงของแท้นะสิ่งใดปรากฏในจิตในใจอันนี้หมายถึงว่าจิตแท้จิตดั้งเดิมจิตเดิมแท้เป็นจิตที่ไม่เกิดเป็นจิตที่ว่างเปล่าแต่สิ่งที่เกิดในจิตอันนั้นอ่ะเป็นสิ่งสังขารเกิดดับนะเกิดดับในในความว่างของของจิตของใจเพราะฉะนั้นถ้าแยกได้อย่างนี้จะพบว่าอ๋อไอธรรมชาตินี้มันมีอยู่มาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่า พระพุทธเจ้าองค์เดียวที่มาพบและมาบอกเราแล้วเราก็เรียนเรียนเรีย น, ยนแต่ก็ไม่เข้าใจสักทีหนึ่งเพราะวแต่คิดอยู่หารู้ไหมว่าความคิดเป็นสิ่งที่เกิดดับในใจแต่ถ้ารู้จักขึ้นมาอาคิดแล้วนี่แสดงว่าใจรู้แล้วก็พอหยุดคิดใจก็รู้ว่าหยุดคิแต่ใจได้แต่รู้ไงแต่ความคิดมีเกิดเกิดดับๆในใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองภาพอย่างเนี้ยจะง่ายขึ้นแล้วแล้วตัวเราอ่ะตัวเราอยู่ไหนไหนอะใจเนี่ยเป็นความไม่ปรากฏใช่ไหมอืมเพราะฉนั้นใจเนี่ยตัวเราจริงๆมันก็ มันอยู่ในที่ว่างเพราะนั้นจะเรียกว่าตัวเราทั้งตัวมันก็ถูกอธิบายยังไงอะเพราะตัวเราเนี่ยคือเป็นส่วนเล็กๆของธรรมชาติเนาะแต่ความว่างอะมันไม่มีขอบมันไม่มีเขตไงใช่ไหมเพราะนั้นใน ต, ตัวเรามันก็อยู่ในความว่างแต่ในความว่างนี้มันมีความรู้จะเรียกว่าใจก็ได้ใจก็รู้ตัวเราได้รู้ทั้งตัวอา้าวทีนี้ถ้าพ้นมาจากใจอีกมีตัวเรามีตัวเขามีวัตถุมากมายมีสังขารมากมาย แต่ใจเนื่องจากว่ามันมีความว่างแล้วก็ไม่ปรากฏขอบไม่ปรากฏเขตดั้งเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่มันก็จึงรับรู้รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในความว่างอยูหลวงพ่อจะพูดเลยไปมากหรือเปล่าเดี๋ยวโยงก็ฟังไม่เข้าใจเอาหยุดไว้ตรงนี้ก่อนแต่พอเข้าใจได้ว่าความว่างเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏอะไรเลยมันมีอยู่แล้วในความว่างนี้มันมีความรู้รู้นี่จึงรู้แจ้งรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏ รวมถึงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่ามันปรากฏแล้วหมดไปความรู้อันเนี้เขาเรียกว่ารู้อย่างพุทธะรู้อย่างเอรู้อย่างเอารู้อย่างพุทธะไว้ก่อนแค่เนี้ยอาจจะเข้าใจง่ายพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แหละพุทธะองค์จริงคืออันนี้แหละอ่าโอเคไห ม, มเขียวไหมเขยหรือว่าเขียวเขียวทุกเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบฟัง คือฟังมาเยอะครับอาจารย์ชีวิตผมฟังทํามมาทำไมเขาบอกเขารู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยไ ม, ไม่รู้มัรู้ท้งตัวเป็ น, นยังไงมาได้ตัวรู้ม่ร<อ>รู้หมดเลยจริง ท, ที่อาจารย์บอกว่าขบับรถอยู่มันรู้หมดเลยนะหูดได้ยินเสียงตากําลังมองเท้าอยู่ที่ครืเร่งแนะบบมันมัน ร, นรู้มันรู้หมดเลยเอครแต่มันจะ ม, มีคำพูดท่อาจารย์เหรว่า เราไม่สามารถอธิบายเป็นคําพูดได้เหรือ ว, ว่ามันรุ้นนิ่งๆแบบว่ามันมันเร็วเร็วเร็วทิ้งกับคำพูดเราจะคุยใช่ใช่แล้วอธิบายไม่ได้เพราะว่าตัวอธิบายคือสังขารเนาะแต่ที่มันรู้แบบไม่มีขอบเขตอะมันมันแบบโอ้ยอธิบายตัวนั้นก็ไม่ได้เพราะว่ามันมันมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่ว่าเพียงแต่การอุปมานะอย่างหลวงพ่ออุปมาเรื่องเรื่องนี้ก็ได้เมื่อวานไปอุปมาเรื่องของสิ่งเกิดสิ่งดับกับสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับเนาะ อุปมาเรื่องไอ้บ้องไฟอ่ะที่เขาจุดเขาพุ่งจุกอันนั้นจุดจากพื้นดินเนาะแล้วมันก็พุ่งไปแตะกลางอากาศเนาะหลวงพ่อก็ยกตัวอย่างว่าไอ้ไอ้ไอ้บ้องไฟเนี่ยไอเนี้ยอุปมาเหมือนความโกรธนะแล้วท้องฟ้าเนี่ยเหมือนกับความว่างอ่าแล้วทีเนี้ยเพื่อให้รู้จักสองสิ่งไงว่าบ้องไฟเนี่ยเป็นสิ่งที่เพิ่งมาจุดทีหลังแต่ความว่างท้องฟ้าเนี่ยมันมีอยู่ก่อนแล้วนะแต่พอจุดปั๊บอ่าบ้องไฟมันก็เกิด เห็นไหเกิดพุ่งเกิดอะไรและสุดท้ายบ้องไฟเนี่ยก็แตกสลายคือดับหายไปแต่ท้องฟ้าเนี่ยมันไม่เกิดมันไม่มีการดับคือมันอยู่อย่างนั้นเป็นอนันตการไปนะเป็นความเป็นความที่ไม่ต้องเกิดไม่ต้องดับแต่บ้องไฟต่างหากเป็นสิ่งที่เกิดที่ดับในความในในท้องฟ้าท้องฟ้าก็คือความว่างหลวงพ่อก็มาเทียบกับใจที่อยู่ภายในเนี่ยว่าเออความโกรธก็ดีความสุขก็ดีมันก็เหมือนบ้องไฟนี่แหละมันก็เกิดเป็นครั้งบงคราวและสุดท้ายมันก็ดับ ในความว่างแล้วก็ดับความว่างอะไรคือความว่างก็คือใจแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าเออแต่ในความว่างเนี้มันมันมันไม่ใช่ว่างแบบอากาศมันว่างมีความรู้ก็หมายถึงว่าอะไรที่เกิดขึ้นในในใจอ่ะซึ่งซึ่งใจมันมีความรู้ใช่ไหมมันก็รู้หมดว่าเอาออะไรเกิดอะไรดับแต่ใจเนี่ยมันเป็นความว่างที่ไม่เกิดไม่ดับมันมีแต่ความว่างและความรู้เออมันก็ก็เลยรู้แจ้งรู้แจ้งต่อสิ่งเกิดดับ เนี่ยถ้ายกตัวอย่างอย่างนี้ยมันก็ง่ายเพราะว่าความเกิดก็รู้อยู่แล้วว่ามันเกิดเป็นครั้งเึงนคราวแล้วมันก็ดับไปแล้วเวลาถามว่าเวลาความโกรธดับมันดับที่ไหนอ่ะมันไม่เคยดับกลางอากาศใช่ไหมแสดงว่ามันดับในใจแต่ใจเป็นความไม่มีหาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนแต่มันต้องมีถ้ามันมีที่เกิดมีที่ดับแสดงว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นที่รองรับกับอันนั้นก็เลยเรียกว่าความว่างแล้วก็มาบวกกับว่าความว่างนั้นมันไม่ใช่ว่างอากาศแต่มันว่างที่มีความรู้ มันว่างที่เหนือจากอากาศไปอีกอากาศเป็นสิ่งที่ปรากฏใช่ไหมแต่ความว่างอันนู้นเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏมันจึงไม่ใช่อากาศะถ้าไม่ใช่อากาศแล้วถามว่าเป็นดินไหมก็ไม่ใช่ดินถามว่าเป็นน้ํำไหมก็ไม่ใช่น้ําเป็นไฟไหมก็ไม่ใช่เป็นไฟเป็นดวงอาทิตย์หรือเปล่าก็ไม่เป็นคือไม่เป็นอะไรทั้งหมดเลยเป็นชานไหมไม่ใช่เป็นอากาสารอัญจายตนะไหมไม่ใช่เป็นอารมณ์ไหมไม่ใช่เป็นรูปไหมไม่ใช่แล้วมีที่ตั้งไหมไม่มี มีที่อยู่ไหมไม่มีมีการไปไหมไม่มีมีการมาไหมไม่มีคือไม่เป็นอะไรสักอย่างเดียวนี่แหละถ้าเข้าใจตรงนี้มันจะเข้าใจเรื่องสุญญาตาเข้าใจที่สุดแห่งทุกข์ว่าอ๋อที่สุดแห่งทุกข์คืออตรงนี้เองแต่ร่างกายจิตใจของเราเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นก้อนทุกข์มันจะมีแล้วต้องดับไปตายไปก็ต้องก็ต้องหมดไปเพราะฉะนั้นธรรมชาติจึงมีสองฝ่า ย, ฝ, ายฝ่ายทุกข์กับฝ่ายที่ไม่ทุกข์อ่าก็แค่นี้เองแล้วก็ ควายไม่ทุกข์ไม่ต้องไปทําอะไรเพราะมันไม่ทุกข์มาตั้งแต่ไหนแต่อะไรแล้วแต่ควายทุกข์มันมาทีหลังแล้วมันก็แกลเจ็บตายไปอ่าเพราะนั้นควายทุกข์มันก็วนๆอยู่อย่างนี้แหละเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแต่ควายไม่ทุกข์ไม่ต้องเกิดและก็ไม่ต้องดับอ่านะก็่หรับอาจารย์าจรย์ทูตคือคือเมื่อก่อนนะผมผมไม่เข้าใจว่าเราฟังไอความคิดเข้าใจว่าความโกรธเนี่ยในความเข้าใจเมื่อก่อนนะครับตอนตอนที่จะทรู ผมคิดว่าเวลาเราโกรธแล้วอ่ะถ้าเรารู้แล้วเอ้าความโกรธมันจะดับแต่พอแม่ฮะอใจารย์บอกตัวรู้มเมื่อเรามีตัวรู้แล้วถึงโกรธจะดับไม่ดับมันก็เรื่องของมันเพราะเราก็ทําอะไรกับมันไม่ได้ครับก็ดูเป็นอย่างเดียวเดี๋ยวแป๊บๆเอ้ามันก็หายของมันไปเดี๋ยวมันก็มีเหมือนกับว่าเหมือนกับว่านะเอาเป็นว่าถ้าถ้าไม่มีตัวเราไปยุ่งอะไรอะนะมันไม่มีปัญหาหรอกที่มันมีปัญหาเพราะว่ามันมีตัวเราคือมีความเป็นตัวตนมีความเป็นอัตตา เพราะอะไรเพราะอาวิชาคือไม่รู้ความจริงว่าความจริงคือเราไม่มีมีแต่ขันห้ามีแต่ดินน้ำควายลมมีแต่สังขาร น, นะเราไม่มีแต่ด้วยความไม่รู้นี่แหละที่เขาเรียกว่าไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงเนี่ยก็เลยไปยึดพอไปยึดปับ๊บมันก็มีตัวมี ต, มตนขึ้นมาทีนี้ถ้าเข้าใจธรรมะเข้าใจแจแจ้งแล้วว่าอ๋อมีแต่สังขารมีแต่สิ่งเกิดสิ่งดับแค่นี้มันก็ไม่เดือดร้อนใครไงใช่ไหม ไอสิ them, sort of long, unjust, trees, ่งเกิดสิ่งดับมันก็เป็นธรรมชาติมันก็เกิดของมันแล้วมันก็ดับของมันแล้วมันถ้าไม่มีตัวตนถ้าไม่มีผู้ยึดเนี่ยแล้วใครจะเดือดร้อนก็ไม่มีผู้เดือดร้อนส่วนไอ้ที่ไม่เกิดไม่ดับมันก็เป็นธรรมะที่มีอยู่แล้วก็ถ้าไม่มีใครไปยึดไม่มีใครไปเป็นมันก็บริสุทธิ์ของมันอยู่แล้วไงแต่พวกเราเนี่ยคือด้วยความเข้าใจผิดเข้าใจผิดเนี่ยทุกวันเนี้ฟังธรรมะก็ยังเข้าใจผิดว่ายังมีเรามีเราเราเจ็บเราป่วยเราเจ็บเราไม่มีสุขเลยเราทําไม่ได้เราทําไม่ได้ แล้วบางทีเราทําได้เราทําไ ด, าได้ตัดคําว่าเราไปเลยให้มันเหลือแต่สิ่งที่มีที่ปรากฏแล้วมันก็หมดไปแค่เนี้ยให้รู้แจ้งรู้จริงรู้อย่างพุทธะนั่นแหละแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้รู้อาจารย์อันนี้ผมอันนี้ผมเจอเจอเจอกับตัวเองนะที่ว่าที่เราอาจารย์ ก, ก็วัดทุกวันก็ยังก็ยังไม่มันมันเกิดความแบบเขาเรียกอะไรมันไม่ได้มั่นใจในอะไรเลยครับสักอย่างเลยครับตอนนี้ครับ ร เ, รเดี๋ยวมั่นใจนะหลวงพ่อคุยอย่างนี้เลยนะมั่นใจเนี่ยแสดงว่าลึกๆยังมีตัวเราที่จะให้เรามั่นใจใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอนวิชชานเนี่ยเออนี่หลวงพ่อกําลังชี้ตรงเลยว่าไอ้ที่พูดมาแบบเนี้ไม่มั่นใจนี่แสดงว่าลึกๆเนี่ยคือมีตัวเราอยู่แล้วก็เหมือนกับให้เรามั่นใจนี่นี่เป็นอวิชชาเลยนะเพราะความจริงหลวงพ่อพูดหมดแล้วว่ามันไม่มีเราเพราะฉะนั้นความมั่นใจหรือไม่มั่นใจมันเป็นสังขาร ทุกอย่างรวมลงเป็นสังขารหมดถ้าสิ่งใดปรากฏนั่นเป็นสังขารหมดก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นต้องมีสติปัญญารู้เท่าทันต่อสังขา ร, รที่กําลังปรากฏไม่ว่าปรากฏ ท, ทางวาจาไม่ว่าปรากฏทางกายไม่ว่าปรากฏทางจิตใจอ่นะทุกอย่างที่มันโผล่ขึ้นมานั่นแหละให้รู้เท่าทันคือไม่หลงนะคือหมายความว่ารู้เท่าทันว่าเออมันก็เป็นแค่สิ่งเกิดสิ่งดับพอพูดทีหนึ่งว่าอ่ามันเกิดแล้วพอคิดทิ้งรู้ว่ามันเกิดแล้วแล้วก็ให้เห็นการเกิดการดับอยู่อย่างเนี้ยและเห็น แจงแจงแจ้ ง, จ ง, จงสุดท้ายเนี่ยมันก็ชานานคือเช่าเข้าใจเลยว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจมันก็เข้าใจดีว่าเป็นสังขารเป็นสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นเลยเน้นเลยกัดติดจดจ่อตรงนี้เลยอย่าไปอย่าไปเน้นแต่เรื่องรูปแบบเอาเป็นปัจจุบันขณะอะไรปรากฏพูดทีหนึงว่าอ๋อพอพูดก็เป็นสังขารใช่ไหมและพอมันคิดยุ่ย ย, ยอนอั น, นุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ายุ่ยยุ่ยยุ่มันก็เป็นสังยาุ พราะไอตัวที่ไม่เป็นสังขารนุ่นไอน้นูวเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏแต่มันมีความรู้ก็หมายความว่าเวลาพูดมันก็รู้เวลาหยุดพูดมันก็รู้พูดอย่างไงมันก็รู้รู้สึกอย่างไงมันก็รู้นี่ต้องแยกฟังแบบนี้ยก็คือรู้อย่างเดียวครับผมเข้าใจที่ที่หลวงพ่ อ, อเขียนท่านชอบพูดว่ารู้สึกตัวตะพื้นตะพือคืออย่างนี้เลยเนาะคระับอาจะนั่นแหละ<อ>รู้สึกตัวก็คือรู้ตัวตัวเป็นทุกข์จะไหมแต่รู้พ้นทุกข์ไง เมื่อกี้รู้อย่างพุณท้าใช่ไหมรู้เนี่ย ค, คือพ้นทุกข์แล้วแต่ไอ้ตัวก็คือตัวทุกข์เพราะนั้นรู้ทุกข์ก็คือพ้นทุกข์อ่ะถ้าถ้าพอแยกให้เข้าใจเนาะครับแค่เนี้รู้รู้ตัวก็คือพ้นทุกข์รู้ทุกข์ก็คือพ้นทุกข์รู้สุขก็คือพ้นสุขรู้อะไรก็คือพ้นหมดพอรู้เนี่ยมันเป็นเป็นรู้ที่ที่มันไม่เป็นอะไรแต่มันมันว่างไงมันเป็นเป็นรู้ที่บริสุทธิ์มันไม่มีอะไรแต่มันรู้อย่างเดียวเขาเรียกว่ารู้ที่บริสุทธิ์ก็ได้เออ รู้อย่างพุทธะ<ม>ก็ตรงเนี้ยคมเขาก็าชัดเจนดีลงแก่ใจดีอืมครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับอโอเคสาธุน ะ, อะของยองโตมีอะไรไหมเอาคุยไป